สติปัฐานสี่สองสัมมปัปทานสี่สามอิทธิบาทสี่ห้าอิน 5, 6, รี่ห้าหกพละห้าเจ็ 7, พดพุทชงเจ็ดแปดมักมีองค์แปดทั้งแปดบทนี้ <c oughs> รวมเป็นสามสิบเจ็ดประกประการแรกขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทำความเข้าใจคำว่าโพธิปัจพีธรรม คำว่าโพธิปัจขจ้ธรรมนี้แปลว่าทำเป็นฟักฝ่ายแห่งธรรมสามัคคีเป็นเครื่องตรัสรู้ที่ได้นามว่าโพธิปัจเจ้ธรรมนั้นเพราะเป็นธรรมเป็นไปในฟักฝ่ายแห่งความตรัสรู้โลกุต ร, รายกิกามัคกระทำเวนยสัตหรือปุถุชนให้ตื่นจากหลับคือกิเลสเบิก บ, บานด้วยคุณวิเศษในอริยภูมิได้จริงจึงได้นามอย่างนั้น โทธิปัจียธรรมมีนามเรียกอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งว่าอภิญญาเทสิตธรรมที่ได้นามเช่นนั้นเพราะเหตุว่าทรสามสิบเจ็ดเหล่านี้พร ะ, ะพุทธองค์ทรงแสดงเพื่อให้สัตว์รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้เห็นฉะนั้นก็ใครจะขอพูดอธิบายไปแต่ละข้อละข้อซึ่งก็พูดเพียงย่อๆ อพอเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติสืบต่อไปในข้อแรกที่บอกว่าสติปัฏฐานสี่คำว่าสติปัฏฐานสี่ก็คือหนึ่งกายานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติเข้าไปตั้งพิจรารณาพิจารณากายเป็นอารมวากายนี้ก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นกายานุปัสนาข้อสอง เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติเข้าไปตั้งพิจรารณาเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาเป็นอารมณ์ว่าเวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาข้อที่สามจิตานุปัสนาสติปัฏฐานามีสติเข้าไปตั้งพิจรารณา พิจารณาใจเศร้าหมองหรือผ่องแพ้วเป็นอารมณ์ว่าใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตวเนเราเขาข้อที่สี่ธรร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานามีสติเข้าไปตั้งพิจารณากำหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตวเนเราเขาฉะนั้นอจติปัฐาน ถ้าแปลกันจะชัดก็คือว่าแปลว่าสติเป็นที่ตั้งเป็นประธานลักษณะของสติในที่นี้ก็เหมือนกันกันกบลักษณะของสติในธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างแตกต่างแต่สติในที่นี้เป็นสติชั้นสูงเพราะมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์ของสติที่จริงสติเป็นธรรมอันเดียวก็เรียกว่า สติปัฏฐานสี่ด้วยสามารถแห่งสติเข้าไปตั้งในอารมณ์ทั้งสี่คือเมื่อสติเข้าไปตั้งอยู่ที่กายก็เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานดังนี้เป็นตัวอย่างที่ท่านจำแนกสติปัฏฐานออกเป็นสี่มีประโยชน์เพื่อจะอนุวัตหรือผันผ่อนตามจริงของผู้เจริญกายานุปัสนา เป็นที่สบายของบุคคลผู้มีตัณหาจริญอย่างยาบคือหมายความว่าผู้ที่ได้พิจารณาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามให้มีสติพิจารณาเข้าไปในกายว่าประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ประกอบขึ้นด้วยอาการสามสิบสองแล้วก็ ในร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยดีสเลตหนองเลือดเป็นของโสโครกเป็นของสปกปรกสิ่งเหล่านี้ไม่น่าที่เราจะมาควรหลงไหลใฝ่ฝันสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไม่ควรจะยึดถือเอาเป็นอารมณ์ว่าเป็นเราว่าเป็นเขาว่าเป็นของสวยว่าเป็นของงามที่เราหลงว่างงามว่าเป็นของเราของเขานั้นเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นติดในสมมติหลงในสมมติ ไม่รู้จริงตามสภาวธรรมเพราะถูกตันหาครอบงำทำให้เกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนฉะนั้นหากว่าเราพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งามตั้งแต่ผมขนเลบฟันหนังเป็นต้นจะทำให้เรานั้นคลายอัตตานุทิฏฐิคือละทิฏิในความเห็นว่ามีเรามีเขาคือเราก็จะพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนเราลองพิจารณาดูหากว่าเร า, ามองว่าผมสวยผมสวยเล็บสวยขนสวยฟันสวยหนังสวยแต่ถ้าหากว่าเราเอาเส้นผมหรือเอาเล็บ เ, เราลอกหนังออกมาใส่ในผ้าชนะหรือใส่ในชามข้าวเราจะรู้สึกว่าหน้ารังเกียจหน้าขยะขยงรู้สึกว่นมันเป็นของปฏิกูล เป็นของโสโกโศกฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มองพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ไปที่อยู่ที่ตัวบุคคลก็จะเป็นในทรรนองเดียวกันเช่นวันเล็บถ้าเราไม่ตัดมันก็สกปรกยาวดูแล้วก็น่าเกลียดผมเหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักสะสางไม่รู้จักชำระล้างมันก็เต็มไปด้วยรังแคฟันเราไม่รู้จัก ร, รักษาความสะอาดมันก็สกปรกเอาจจะเป็นโรคฟันผุเป็นโรคในปาดได้ ในอย่างอื่นก็ทำนองเดียวกันเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะให้เราพิจารณาว่าสังขารคือร่างกายเป็นของที่ไม่สวยไม่งามเราก็จะละได้นะ่ะมันเทาตันหาได้และยิ่งเราพิจารณาเข้าไปภายในกายเรียกว่ากายยาคตาสติคือมีสติพิจารณาเข้าไปในกายว่าร่างกายนั้นเป็นดุดผาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของโสโครก ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังลองได้สังเกตดูคนที่ถูกรถชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่ต้องตับไตไส้พุงต้องแตกทะลัตออกมาดูแล้วมันกลิ่นมันเหม็นขาว ค, คระคลุ้งไปหมดเลยคนเราก็มีอาการอย่างนั้นนะหรือใครไปดูตารงพยาบาลเวลาเขาผ่าตัดนี่เราจะเห็นว่าเขาเอาตับไตไส้พุงออกมากองการกระทาของเขานั้นเราสังเกตดูก็ไม่ต่างอะไรกับหมูหรือกับพวกสัตว์ต่าง ฉะนั้นถ้าเราไปพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้เราน nan คลายจากตัณหาบันเ้ากิเลสตัณหาความหลงยึดมั่นถือมั่นหรือทยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสได้นะฉะนั้นอันนี้แหละเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานในข้อที่สองที่บอกว่าเวทนานุปัสสนาคือมีสติเข้าไปพิจารณา เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุนคคลตัวตนเราเขาเวทนานุปัสสนานี้เป็นที่สบายแก่บุคคลผู้มีทัญหาจริตอย่างละเอียดคือหมายความว่าคนที่ติดในสุขนะคนที่ติดในสุขติดในทุกข์หรือ ว, วางเฉยฉะนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เราจะต้องพิจารณาว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีกู้เบกขาก็ดี ในสามอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนนะบางครั้งไอ้ที่เราว่าสุขนั้นอ่ะจริงๆแล้วมันทุกข์นะมันเป็นทุกข์แต่ว่ามันทุกข์น้อยนะทุกข์น้อยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนะถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่า ไอ้ที่เราติดว่าเป็นสุขนั้นเราก็จะบรรเทาเสียดได้นะไว้ความสุขที่เรานั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นหลงนะเป็นหลงติดเป็นหลงยึดมั่นถึงมั่นว่าสิ่งนี้มันเป็นทําให้เรามีความสุขกายสบายใจเมื่อความสุขกายสบายใจที่เราได้รับนั้นมันต้องคลาดจากเราไปหรือเราจากมันไปเราก็รู้สึกอะไรอาวรก็เกิดความทุกข์เกิดความโทษเกิดความเดือดร้อนฉะนั้นเราต้อง ทำใจให้เป็นกลางว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นได้ก็หายได้นะเกิดขึ้นได้ก็หายได้อย่าไปหลงติดบางครั้งเราได้รับทานอาหารที่ดีก็่าเป็นสุขได้นอนในที่นอนที่ดีก็เป็นสุขได้อยู่ในที่ดีก็เป็นสุขได้ตำแหน่งที่ดีเราสึกเป็นสุขแต่เมื่อตำแหน่งนี้หายไปไอ้ที่อยู่อาศัยนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้มันก็เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ ฉะนั้นเราต้องทําใจให้เป็นกลางแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมาในข้อที่สามจิตตานุปัสสนาการาพิจารณาอตามเห็นจิตนการที่เราได้พิจารณาตามเห็นจิตหรือพู ด, ดง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือว่ามีสติกําหนดพิจารณาใจที่เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนา ขึ้นพิจารณาแล้วก็เป็นที่สบายแก่บุคคลผู้มีอาทิตย์จริตย่างหยาบคือหมายความว่าใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว อ, อย่างไรนั้นอก็ขึ้นอยู่กับที่ใจใจที่ประกอบด้วยอกุศลละธรรมคือราคะมีความกำนังยินดีโทสะโมหะเป็นต้นชื่อว่าใจเศร้าหมองใจที่ประจะจาจจกอกุศลลธรรมนั้นชื่อว่าใจผ่องแผ้วนะชื่อว่าใจผ่องแผ้วนั้นการที่เราได้ พิจารณาเห็นอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นถอนทิฏฐิคือความเห็นที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะเห็นไม่ถูกไม่ต้องทำมาให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้นะเมื่อเราเป็นสัมมาทิฏฐิก็เราก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถูกต้องตามสภาวธรรมก็จะทำให้เรานั้นไม่ติดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราและรอบๆตัวเราอันนี้แหละเป็นหลักในทางพระพุทธศาสนา ประการที่สี่ก็คือท ร, รมานุปัสสนาสติปฐานานรรมีสติกำหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมก็สักด์แต่ว่าธรรมไม่ใช่ศัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็นที่สบายแก่บุคคลผู้มีทิฏฐิจริญอย่างละเอียดคือมีความเห็นเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในใจ ทิศที่ ท, ที่ละเอียดนอนเนื่องอยู่ในใจนี้มันฝังจิตฝังใจนะถ้าหากว่าเพลินๆคนก็อาจจะไม่รู้ไม่ทราบหรือตัวเองก็อาจจะไม่รู้ไม่ทราบแต่โดยส่วนลึกแล้วเราจะรู้ว่าบางอย่างเรายังหลงยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะในในอารมณ์ที่ละเอียดลงไปอีกนะในสิ่งที่เป็นบุญในสิ่งที่เป็นบาปที่มันนอนเนื่องอยู่ใน จ, ใจิตใจหากว่า เรารู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทำลายหรือคลายตัวทิฏฐิอย่างละเอียดลงได้นะฉะนั้นผู้จเจริญสติปัฏฐานต้องพร้อมด้วยองค์สมบัติสามประการคืออาตาปีมีความเพียรให้กิเลสเร้าร้อนสองสัมปชานโนรู้ทั่วพร้อมสามสติมาคือมีสติจึงจะชนะอภิชาและโทมานัปออกไปได้ในธรรมในสติปัฏฐาน ข้ทสทรงสแสดงธรรมสามประการที่เป็นอภุษณลธรรมได้แก่นิวรณห้ธรรมที่เป็นกลางๆงได้แก่ขันอาญาตนะอุละูลธรรมได้แก่โพชฌงและอริยสัจผู้เจริญสติปัฏฐานย่อมได้อานิสงส์เห็นประจักษ์คืออาจบรรเทาเสียได้ซึ่งอภิชาและโทมนัสที่เกิดขึ้นเช่นผู้เจริญภาวานานุปัสสนามีทุกขังเกิดขึ้นก็เห็นว่าทุกนั้นว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา จิตก็พ้นจากอุปาทานความยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของเราเป็นของเขาเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วอภิชาโทมนัตก็ย่อมจะหมดไปย่อมได้รับอนิสงก็คือว่าผู้ที่ได้จเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เป็นจิตสิกขาเพราะเป็นองค์ของสัมมาสติสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อย่นย่อทั้งสองก็ย่นกลายเป็นรูปกรรมฐานเวทนาจิตธรรมก็เป็นอรูปกรรมฐาน ดันั้นนี่เป็นเรื่องของสติปัฏฐานเรียกว่าในการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่มาในข้อที่สองก็คือสัมมปทานสี่สัมมปทานสี่ก็หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าประฐานคือความเพียนสี่อย่าง <c oughs> คำว่าปัฏฐานคือความเพียนกล่าวโดยองค์อศีก็คือ สังปะพระอะกล่าวโดยกิจมี่สองก็คือละบาปหรือเรียกว่าปหานกิจหนึ่งถ้าจะพูดให้เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าสั ม, มประทานสิกก็คือความเพียรชอบสี่อย่างก็คือหนึ่งสังวรประธานเพียรระวังไม่บาปเกิดขึ้นในใจิตใจข้อสองปานประธ า, านเพียรละบาป ท, ที่เกิดขึ้นแล้วในใจิตใจ ข้อสามภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานข้อสี่อนุรักษนาประธานเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนและเมื่อโดยย่อแล้วก็เรียกว่าสังปะพระอะสังก็แปลว่าสังวรประทานปะก็คือปหาประทานพระก็คือ ภาวนาประธานอะก็คืออนุรักษนาประธาน <c oughs> เมื่อกล่าวโดยกิจมี้สองก็คือว่าในส่วนะละบาปในส่วนหนึ่งเรียกว่าละบาปก็คือประหารกิจอบำเพ็ญบุญกุศลเรียกว่าภาวนากิจถ้าว่าโดยฐานที่ตั้งก็เป็นสองคือกายกับใจอ่าที่เป็นไปในกายเรียกว่ากายยิกะที่เป็นไปในใจก็เรียกว่าเจตสิกะ เพียรระวังไม่บาปเกิดขึ้นในสันดานนั้นจะระวังอย่างไรในขณะไหนคือต้องมีสติเพียรระวังอินทรีย์ทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเลนลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจในึกคิดในอารมณ์ต่างๆเมื่อเราระวังอย่างนี้แน่นอนที่สุดบาปอากุศลและทก็จะไม่เกิดขึ้นาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศล ฉะนั้นสังวรมุย่น ย, นย่อลงในปหานก็เรียกว่าละบาปอนุรักษนาย่อลงในภาวนาก็เรียกว่าการบำเพ็ญบุญฉะนั้นที่พูดนี้ก็พอเป็นเครื่องเป็นแนวทางย่อยๆนะเป็นแนวทางย่อยๆเพื่อให้ท่านนักเรียนและนักศึกษาได้ฟังไว้พอเป็นแนวทางมาในหมวดที่สามก็คืออิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่ก็คือหนึ่งชันทะ ความพอใจสองวิริยะความเพียรสามจิตตะเอาใจใส่ในสิ่งนั้นห้าวิมังสามีสติพิจารณามีปัญญาพิจารณาไตรตรองอในสิ่งนั้นในทางที่ถูกที่ควรอย่างนี้แหละได้ชื่อว่ า, าได้ชื่อว่าอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่นี้เป็นคุณธรรมที่ทำให้สมเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง คืคนเราจะทําอะไรนั้นประการแรกจะต้องมีฉันทะคือความพอใจคือพอใจในสิ่งที่ตนจะทําพอใจในสิ่งที่ตนได้รับพอใจในสิ่งที่ตนมีตนเป็นอันนี้สําคัญเมื่อเราพอใจในสิ่งที่ตนมีตนเป็นไอ้สิ่งนี้มันก็จูงใจทําให้เราเกิดวิริยะเกิดความอุตสาหะเกิดความบากบันเกิดความกระตือรือร้อนในการที่จะทำํำนะในการที่จะทํากิจการที่เราได้รับมอบหมายหรือที่เรามีเราเป็นอยู่ ให้สมบูรณ์พูดง่ายๆก็คือว่าให้เราทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่สุดการที่เราทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ตัวนี้คือตัววิริยะตัววิริยะเคือหมายถึงว่ามีความเพียรใ้คําว่าความเพียรตัวนี้ถ้าแปลอย่างหนึ่งแปลว่ากล้กล้ากล้ากระทําโดยไม่หวั่นขั้นทึงต่อความเหนื่อยยากความลำบากโดยไม่หวั่นขั้นพึงต่อ อสิ่งต่างๆในเมื่อเราตั้งใจกระทําและรู้ว่าสิ่งนั้นที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรฉะนั้นเราจะต้องกระทำแฉะ น, น, นี่คือความเพียรเมื่อเรามีความเพียรแน่นอนที่สุดพระพุทธองค์ได้ตรัสไ ว, ว้ว่าวิริเย์ณทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเป็นนักเรียนนักศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จลงได้ก็ด้วยความเพียรแม้ว่าเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนเป็นกรรมกรก็ต้องมีความเพียรขยันในกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่าง ประโยชน์ก็จึงจะเกิดขึ้นยังพุทธภาสิทธิที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอุทาตาวินทตเตธนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ตรงกันข้ามคนไม่ขยันคือคนเกียจคร้านงัวผผดวันประกันพรุ่งอันนี้ก็มีจนตลอดอันนี้ก็จนไปตลอดชีวิตนะฉะนั้นเราจะต้องขยันในการประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะอันใด ประการที่สามจิตตะคือเอาใจซักใยในสิ่งนั้นคือจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นคือเราทํางานอะไรเราก็ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราทํานั้นอคอยตรวจตราดูแดว่าในสิ่งที่เราทํานั้นน่ะมันถูกต้องมันอาตามความเป็นจริงไหมแล้วก็กระตือรือร้นในการที่จะอยากทําอยู่เรื่อยอยากทําอยู่เรื่อยการที่เรากระตือรือร้นในการที่จะทํางานหรือทําหน้าที่ของเรานั้น อันนี้แหละทำให้งานของเรานั้นไม่บกพร่องทำให้งานของเรานั้นสมบูรณ์ทำให้งานของเรานั้นเสร็จตามเวลาแล้วก็ทันเวลาแล้วก็เรียบร้อยเนยีเรียบร้อยอีกด้วยประการที่สี่วิมังษาก็คือพิจารณาตรวจตราผลงานที่เราทำไปแล้วว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าดีแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งยิ่งขึ้นถ้ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเสียใหม่ ออย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าอเรานั้นได้บำเพ็ญกุณธรรมก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้สําเร็จสมประสงค์ทุกๆสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าคนขาดอิทธิบาทแล้วแน่นอนที่สุดจะทําการงานอันใดก็ไม่สําเร็จลุล่วงด้วยดีหรือถึงสําเร็จไปก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือข้าราชการไม่มีความใจยันหมั่นเพียรแน่นอนที่สุดหรือว่าไม่มีอิทธิบาทสี่ แน่นอนก็จะไม่สำเร็จสมประสงค์ดังที่ตนมุ่งมา่ปรารถนาไว้ฉะนั้นผู้หวังความเจริญก้าวหน้าจึงต้องมีอิทธิบาทสี่อาเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจให้เจริญงอกงามให้กระตือรือรน้นให้มีความแกล้วกล้าบากบั่นในการที่จะทำกิจการงานตามฐานะของตนให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีทีนี้ก็มาในาหมวดที่ที่ห้า มาในหมวดที่ที่สี่ก็คืออนะินซี่ห้าอินซียห้าอินสียห้าก็ได้แก่สธาวิริยะสติสตาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าอินซียห้าอินซียห้านี้ก็ถือว่าเป็นธรรมสำคัญบทหนึ่ง ในโพธิปักจียธรรมและอินทรีห้านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพละห้านะเรียกอย่างหนึ่งก็คือพละห้าเพราะฉะนั้นอินทรีห้ากับพละห้านี้ก็มีชื่ออันเดียวกันข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาความเชื่อข้อที่สองก็คือวิริยะความเพียรข้อที่สามก็คือสติความระลึกได้ข้อที่สี่ก็คือสมาธิความตั้งใจมั่นข้อที่ห้าก็คือปัญญาความรอบรู้ทั้ง ถ้าอย่างนีเ้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินรี่ห้าเพราะอที่เรียกว่าอินทรี่ห้าเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนที่เรียกว่าพละหา้าก็เพราะเป็นกําลังในการให้ทํากิจการงานสําเร็จลุล่วงไปได้ดยดีลุล่วงไปได้ดยดีหรืออีกในหนึ่งถ้าจะถือเอาความก็คือว่าขั้นแรกคนเราเอาต้องเรียกว่าอินรีย่เพราะเป็นใหญ่ในกิจอที่ตนจะพึงทําก่อน ในลำดับแห่งอินทรีย์นั้นก็เรียกว่าพละเพราะช่วยอุดหนุนอินทรีย์นั้นให้มีกําลังแรงกล้าขึ้นเช่นศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อแล้วประกอบประพฤติลงสําเร็จลงสําเร็จ ล, ลุล่วงไปได้ด้วยดีนี้เป็นอินทรีย์ในลำดับนั้นความเชื่อก็มีกําลังแข็งแรงขึ้นสําเร็จผลมาเป็น <c oughs> สัตทินทรีย์นั้นเรียกว่าศรัทธาพละ ก็คือพละคือศรัทธาที่แยกออกเป็นสองหมวดก็เพราะว่าธรรมาทั้งห้าอย่างเป็นธรรมสามมัคคีดังกล่าวมาแล้ว <c oughs> คือเป็นใหญ่ในกิจของตนและเป็นกำลังอุดหนุนกันเช่นศรัทธาเป็นต้นจึงเรียกว่าศรัทธาพะละด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้แยกสองหมวดอินรีห้าเป็นค่าสึดแห่งอกุศลธรรมดังนี้ศรัทธาเป็นข่าสุดแก่อจัทยะความไม่เชื่อ วิริยะเป็นค่าศึกแก่โกสศะความเกียร์ครานสติเป็นค่าศึกแก่ประมาทะคือความลนเล่อสมาธิเป็นค่าศึกแก่อุทจจะความฟุ้งซ่านปัญญาเป็นค่าศึกแก่อญานะคือความโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อกําจัดธรรมที่เป็นค่าศึกเสียได้จึงได้น้ำเพิ่มขึ้นอีกว่าศรัทธาภละศรัทธาภละวิริยะภละสติพละสมาธิพละปัญญาภละเพราะมีบาลีรับรองอยู่ว่า อันจินทร์ญานันตรังนิกิตตานิภละทั้งห้านั้นท่านตั้งไว้ในลำดับแห่งอินทรีย์ทุกแห่งไปถ้าจะขยายให้กว้างออกไปอีกสักนิดหนึ่งก็คือว่าศรัท ธ, ธาวิยะศรัท ธ, ธาก็คือความเชื่อในคำว่าความเชื่อนี้หมายถึงว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อคนเราถ้าหากว่ามีความเชื่อในเบื้องแรก ศรัทธานี่แหละจะเป็นสิ่งจูงใจให้บุญกุศลต่างๆเกิดขึ้นแต่คนถ้าไม่มีศรัทธาไม่สามารถที่จะประกอบกิจาการน้อยใหญ่ให้สาเร็จรุ่เรืองไปได้โดยดีเพราะว่าขาดกำลังใจศรัทธานี่เป็นสิ่งจูงใจเป็นกำลังใจเป็นเครื่องสนับสนุนทำให้เราที่จะตั้งใจทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่างานนั้นจะใหญ่หรือว่างานนั้นจะ อสูงอย่างไรแต่ถ้ามีศรัทธามั่นคงแล้วก็ทําได้อทําได้สําเร็จทุกอย่างมีพุทธภาสิีรับรองไว้ว่าศรัทธาสาธุปฏิติตาคนเราถ้ามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างตรงกันข้ามแต่ว่าถ้าศรัทธามไม่มั่นคงแล้วทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะทําให้เกิดความท้อแท้และทําให้จิตเกิดหดหู่ท้อถอยเกิดความเบื่อนหน่ายเกิดความเกลียดคร้านไม่อยากจะทำํำฉะนั้น ตัวศรัทธานี่แหละจึงเป็นเพื่อนที่สองของของของคนเราที่จะช่วยชักจูงให้เรานั้นไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้ฉะนั้นโดยหลักจริงๆในทางพระพุทธศาสนาจึงต้องมีกฎเกณฑ์ว่าเชื่ออย่างไรจึงจะถูกต้องเชื่ออย่างไรจึงจะไม่ถูกต้องบางอย่างเรามีความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเราเชื่อในทางที่ผิดก็เรียกว่าเป็นศรัทธาที่งมงายนะ ศรัทธาที่งมงายแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาก็จะเป็นศรัทธาที่ถูกที่ควรเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาอย่างนี้ทำให้เราไม่ผิดไม่พลาดทำให้เราไม่หลงงม ง, ง, งายทำให้คนไม่ติดสินมินทาเราได้ะฉะนั้นหลักในทางพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่สี่อย่าง <c oughs> คือหนึ่งกรรมศรัทธาคือเชื่อกม เชื่อว่าเราทุกคนจะดีหรือชั่วนั้นอยู่ที่การกระทำํำอยู่ที่การกระทําไม่ใช่อย่างอื่นอไม่ใช่เรื่องดวงดาวอไม่ใช่เรื่องเลิกเรื่องยามอไม่ใช่ถ้าหากว่าเรามีความพร้อมเมื่อไหร่ออันนี้แหละเราทําได้เลยไม่ต้องไปคอยหาหมอดูไม่ต้องไปหาหมอน้ำมนที่ไหนละออันนี้ ไม่ใช่หลักในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นเรื่องของพรามแต่ถ้าในทางพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์บอกว่าเรามีความพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เราทําเมื่อนั้นไอความพร้อมนั่นแหละเป็นเลิกดียามดีครู่ดีขณะดีอันนี้เป็นการเชื่อที่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาประการที่สองกอ็วิปากศรัทธาก็คือเชื่อผลแห่งกรรมเชื่อว่าคนเราทําดีต้องได้ดี เราทําชั่วต้องได้ชั่วมีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่ายาที่สังว่าปะเตพีชังตาที่สั่งและปฏตพลังกัลยาณนาการีกัลยานังปาปการีจะปาปังบุคคลหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไม่ใช่พูดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้ไม่ถูกเป็นการตู่ประพุทธพจน์ ฉะนั้นขอให้ท่านกับจิตกับใจเชื่อหม่ว่าการทําดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทําความดีไว้ที่ทําชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรังพังทุกคนประการที่สามกรรมมัศกาสถาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน <c oughs> เราทํากรรมอย่างไรไว้เราต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเราทุกคนเป็นเจ้าของแห่งกรรมเราทํากรรมแลจะไปให้คนอื่นรับกรรมไม่ได้ข้าวเรารับประทานเองเราก็อิ่มเอง เราไม่รับประทานเราก็หิวเองเรารับประทานแต่จะไปให้คนอื่นอิ่มไม่ได้ะฉะนั้นอันนี้แหละเราจรึงต้องเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยประการสุดท้ายก็คือตถาคตะโพธิสัตถ์เชื่อพระปริชาญาของพระทฐานคดว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ตัดสรู้ดีตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่ได้มีใครเป็นครูสอนฉะนั้น เื่ออย่างนี้ถือว่าเป็นการเชื่อที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเอาละการบรรยาย เ, าเกี่ยวกับเรื่องโพธิปักเกียรธรรมมาก็ได้สี่ข้อนะได้สี่ข้อก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะได้พูด ในเรื่องของโพธิปั ก, กยธรรมสามสิบเจ็ดประการต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วได้พูดมาหมดไปสามหัวข้อคือได้พูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน 4, สีมม่สำนัปฐานสี่อิทธิบาทสี่ก็มาพูดถึงอินรีห้ากับพละห้าควบคู่กันไปทีเดียวเพียงได้เพียงข้อแรกก็จะข อ, อะย้อน ซ้ําของเก่าอีกนิดหน่อยเพื่อให้ท่านนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทบทวนของเก่าและจะได้เข้าใจเมื่อพูดถึงเรื่องอินทรีย์ห้าหรือพละห้าทั้งสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมอันเดียวกันแต่ว่ามีกิจคนละอย่างที่เรียกว่าอินทรีย์ห้าก็เพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนที่เรียกว่าพละห้าก็เพราะ เป็นกําลังเป็นเครื่องสนับสนุนทำให้กิจน้อยใหญ่นั้นสำเร็จรุ้ร่วงไปได้ดีสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ ด, ด, นะไไ ด, ด, ดีฉะนั้นในพระห้าหรืออินทรีห้านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมอันเดียวกันก็คือหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองวิทยะความเพียรสามสติความระลึกไดสี่ 4. สมาธิคือความตั้งใจมั่นห้าปัญญาคือความรอบรู้ ทั้งห้าอย่างนี้ชื่อว่าอินสีห้าก็เรียกชื่อว่าพละห้าก็เรียกอย่างนั้นอีกเหมือนกันฉะนั้นก็จะขอขยายความว่าที่บอกว่าศรัทธาความเชื่อก็คือว่าความเชื่อนั้นจะต้องอเชื่อให้ถูกต้องตามหลักในทางพระพุทธศาสนาถ้าว่าเราเชื่อไม่ถูกต้องอย่างที่เราได้รู้ ร, รู้เห็นเห็นกันทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเราจะเชื่อกันไปในเรื่องที่โลกโลกมาก เชื่อที่ขาดสติปัญญาเชื่อที่ขาดเหตุขาดผลให้ความเชื่อที่ขาดเหตุขาดผลนี่แหละจะทําให้เรานั้นเกิดทุกข์เกิดโทษจะทําให้เรานั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นพระพุทธองค์จึงย้านักย้ำหนาว่าการที่เราได้ยินได้ฟังอะไรนั้นเราจะต้องรู้จักยับยับย้งชั่งใจรู้จักพิจารณาใคร่ครวญให้ท่องแพ้เสียก่อนแล้วจึงทําเหมือนกับภาษิตบทหนึ่งว่า อัปะตังทุกตะตังเสเ อ, อให้บทหนึ่งว่านิสสมะกระนังเสยโยว่าใครควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าออพูดง่ายๆก็คือว่าให้เราพิจารณาเสียก่อนออพิจารณาให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำแล้วจึงพูดถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแน่นอนที่สุดไอ้สิ่งที่เราทำนั้นอาจจะผิดพลาดไม่เป็นมงคลไม่เป็นสิ่งประเสริฐแต่ถ้าเราพิจารณาเสร็จแล้วเรากระทำ เ, เราพูดแน่นอนที่สุด สิงนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งประเสริฐถึงแม้ว่าจะผิดพลาดแต่ก็จัดอยู่ในเรียกว่าผิดเป็นครูนะผิดเป็นครูฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาเมื่อเรามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาจะประกอบกิจการอะไก็สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ได้ว่ามาแล้วในคราวที่แล้วทีนี้ก็มาต่อในข้อที่สองว่า วิริยะนะคำว่าวิริยะก็คือตัวความเพียรนะวิริยะภละก็คือความเพียนะรเหือกาลังคือความเพียรเรื่องความเพียรนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคนเราถ้าหากว่าไม่มีความเพียรแน่นอนที่สุดเรียนหนังสืออะไรก็ไม่สาเร็จทำกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สำเร็จนะ แต่เพราะอาศัยความเพียรเป็นเบื้องแรกนี่แหละจึงทำให้เรานั้นมีความรู้นะมีวิชาความรู้มีความสามารถที่จะประกอบกิจการงานน้อยใหญ่จะเป็นงานโดยส่วนตัวก็ดีจะเป็นงานโดยส่วนรวมก็ดีก็จะทำให้งานนั้นสาเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีฉะนั้นเรื่องความเพียรนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าความเพียรนี้ มีศัพท์ที่ใกล้ๆเคียงกันเยอะแต่ว่าที่อยู่ในความหมายเดียวกันเช่นว่าความแกล้ากล้านะความองอาจความบากบั่นนะความบากบั่นความขยันหมั่นเพียรอันนี้อยู่ในความเพียรทางนั้นอยู่ในความเพียรทางนั้นฉะนั้นถ้าเรามีความเพียรในทางโลกโลกถ้าเราเพียรขยันทำนาทำไร่ทำสวนเพียรในการค้าขายเราเพียรในการศึกษาเล่าเรียน อันนี้เราก็จะสําเร็จสมตามความมุ่งมา่ปรารถนาตรงกันข้ามคนที่ไม่มีความเพียรคือคนที่เกียจคร้านคนที่ท้อแท้ท้อถอยอจิตใจหดหู่ไม่มีความกระตือรือร้นในการที่จะประกอบกิจการงานอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองนะเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองมีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความหายยันะ์ฉะนั้นขอให้เราทุกคนมามีความเพียรในการสร้างเสริมชีวิต หรือว่าเป็นการเสริมมงคลให้กับชีวิตเสริมมงคลให้กับตัวเองอความเพียรในที่นี้ก็มีกฎเกณฑ์อยู่เหมือนกับในประธานสี่หรือสามพระประทาน 4, สีมม่ถ้าในทางธรรมก็คือว่าเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจแระการที่สองก็เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปหรือเพียรเอาออกไป คือหมายถึงว่าเพียรละความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี้ให้เบาบางลงไปด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่การที่สามก็คื อ, อเพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจเพียรสร้างบุญกุศลก็คือเพียรสร้างคุณงามความดาีเป็นต้นว่าตั้งแต่มีการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีฟังเทศฟังธรรมเจริญสมาธิสมถะวิปัสสนาก็ดีอันนี้แหละเท่ากับว่าเราเพียรสร้างบุญสร้างกุศล หรือให้เราทุกคนนั้นมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะคนเราถ้ามีเมตตามีกรุณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยสวนดอกไม้เป็นที่ร่มรื่นน่าชื่นชมแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเมตตากรุณาต่อกันแล้วโลกนี้ก็เหมือนกับทะเลทรายมีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ความเดือดร้อนจะมองไปทางไหนมันก็ไม่สดชื่นมีแต่ความโศกเศร้าอาลัยนะเพราะโลกนี้กลายเป็น โลกมืดเป็นโลกที่เห็นแก่ตัวฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาเพียงสร้างคุณงามความดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันเราทําอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดความสุขความเจริญก็บังเกิดขึ้นแก่ตัวเองแก่สังคมและประเทศชาติประการที่สี่ก็คือให้เรานั้นเพียงรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจไม่ให้เสื่อมไปคือหมายความว่าเราเป็นคนให้ทานรักษาศีล เราก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆพ่อแม่ของเราเคยทํามาเราก็ทําสืบต่อไปเมื่อเราทําแล้วเราก็ต้องทําบ่อยๆการที่เราทําบ่อยๆนี่แหละเท่ากับว่าเรารักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปแต่ถ้าหากว่าเดือนหนึ่งเราทําครั้งหนึ่งปีหนึ่งเราทําครั้งสองครั้งอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็ติดลบก็หมายความว่าไอ้บุญกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็จะค่อยลดหายไปค่อยหมดไปนะค่อยหมดไป ในบุญเก่านะที่เราสะสมมันน้อยนะมันอาจจะหมดไปได้ฉะนั้นเราต้องสะสมขึ้นใหม่ต้องทําขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตัดเป็นพุทธภาเศษบทหนึ่งไว้ว่าปุญญเจปุริโสกยริรากิริราเถหนังปุณณปุณังตัมหิชันทังกิราถาสุขโขปุญญสักุจยโยมาถ้าหากว่าพวกเราจะพากันกระทําบุญแล้วไซ้ก็ควรกระทําบ่อยๆทุกครั้งที่ทําบุญนั้นควรจะพอใจ นะควรจะพอใจนะควรจะพอใจทําบุญแลนะต้องทำบ่อยๆเมื่อเราทํำบ่อยๆ อ, อย่างนี้พระพุทธองค์ก็เลยตัดเป็นอนิสงฆ์ไว้ว่าสุโคปุญญสัอุจโยว่าการสั่งสมบุญเป็นบโรเกิดแห่งความสุขนะบุญนั่นเป็นชื่อแห่งความสุขฉะนั้นท่านจึงได้ตัดกับพิสุว่าพิสุทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยนะนะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขทุกคนปรารถนาทางนั้นที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เพราะบุญที่เราเกิดมา มั่งมีสมบัติของกินของใช้ก็เพราะบุญที่เราได้เป็นใหญ่เราได้มีงานทํำก็เพราะบุญที่เราได้บวชก็เป็นเพราะบุญเราได้สามีดีก็เพราะบุญได้ภรรยาดีก็เพราะบุญไดลูกดีก็เพราะบุญมีพ่อแม่ดีก็เพราะบุญเป็นบุญทางนั้นเลยนะเราได้ยศได้ตําแหน่งอะไรก็บุญได้เป็นพระราชามละกษัตริย์ก็บุญได้มรรคได้ผลใดนิพพานก็บุญทางนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรฉะนั้น ขึ้นชื่อว่าบุญแล้วเราทุกคนต้องการเราทุกคนปรารถนานเราทุกคนปรารถนาฉะนั้นเราจะต้องทําบ่อยๆและต้องพอใจในการกระทําอีกด้วยอย่างนี้แหล ะ, ะเรียกว่าเราเพียรในทางที่ถูกที่ต้องเพียรในทางที่ถูกที่ต้อง <t> แต่ถ้าหากว่าผู้ใดไปเพียรขยันทําในเรื่องของความชั่วอันนั้นไม่จัดว่าเป็นความเพียรนนไม่จัดว่าเป็นความเพียร อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทุกคนไม่ปรารถนามีแต่ทุกมีแต่โทษสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคมประเทศชาติฉะนั้นขอให้เรามาเพียรในทางที่ถูกที่ควรประการที่สามก็คือว่าตัวสตินะสตินี่ถือว่าเป็นตัวระวังนะเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสตินี่แปล ว, ว่า ความระลึกได้นะหรือว่าตัวตัวระลึกนี่คือตัวสำรวมตัวระวังคนเราถ้าทำอะไรมีสติก็คือคนที่ไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทก็คือคนที่มีสติคนที่ขาดสติก็คือคนที่ประมาทคนที่ประมาทก็คือคนที่ไม่มีสติหรือปราจะจากสตินั่นเองฉะนั้นสตินี้จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก เหมือนเปรียบเหมือนมารดาบิดาที่มีอุปการะต่อบุตรฉันนั้นพ่อแม่มีบุญคุณกับบุตรมากฉันใดสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากกับอาคนทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติฉันนั้นฉะนั้นอาคนเราจะทําอะไรนั้นจะต้องมีสติจะพูดกดตามจะทํากดตามจะคิดจะตามต้องมีสติ แรีกว่าก่อนพูดก่อนทําทก่อนคิดต้องมีสติเสียก่อนนะคิดเสียก่อนจึงพูดคิดเสียก่อนจึงทํานำะถ้าถ้าเราอยากทําอย่างนี้กิจที่ทําคําที่พูดก็ย่อมจะไม่ผิดพลาดย่อมมีประสิทธิภาพนะมีเหตุมีผลแต่ที่เราทํากันทุกวันนี้เกิดมีเรื่องบิดาวเพราะเราขาดสติขาดความยั้งคิดขาดความรับผิดชอบขาดความรอบคอบนะเมื่อเราขาดความรอบคอบก็คือตัวขาดสตินั่นเองนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนทําอะไรอย่างมีสตินะ ดันั้นตัวสตินี่แหละถือว่าเป็นตัวปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างว่องไวนะมีเปิดขึ้นอย่างว่องไหวหรือเขาเรียกเปียบไว้อย่างหนึ่งว่าสตินี่เปรียบเหมือนยาประจําบ้านนะเปรียบเหมือนยาประจําบ้านเมื่อมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็หยิบมาใช้ได้ทันทีตัวสติเหมือนกันเราจะต้องให้มีคู่อยู่ในจิตใจจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะฝึกฝนบ่อยๆฝึ ก, ฝฝกจเจริญสมาธิฝึกจเจริญสมมถะฝึกจเจริญวิปัสสนา สติจึงจะเกิดขึ้นจึงจะแกล้วกล้าจึงจะว่องไวทันต่อการงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ฝึกอยู่สติมันก็ย่อมจะฟัน่นเฟือนเลื่อนไปได้ทำอะไรก็ขาดความยั้งคิดนะฉะนั้นเราฝึกบ่อยๆก็จะเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายดังพุทธภาศิทว่าทันตโตเสถโหมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกจิตฝึกใจดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ตรงกันข้ามคนที่ไม่ได้ฝึกกายวาจาใจคนนั้นก็ย่อมจะเป็นผู้ล้าหลังไม่ทันสังคมเขาก็มีแต่ทางเสียเปรียบเขาก็มีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเพราะว่าสติเป็นคมเครื่องเตือนอยู่ในโลกที่เราทุกคนควรจเจริญอยู่เป็นนิดประการที่สี่ก็คือตัวสมาธิสมาธิก็หมายถึงว่าเป็น เป็นตัวที่จิตใจตั้งมั่นคนที่มีจิตใจเป็นสมาธิก็มีอาการที่เพ่งดิ่งอยู่ในอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นกุศลถ้าจะทำจิตให้เป็นสมาธิต้องมีสติหัดระวังจิตไม่ให้สุกสนไปในความรักในความชังในความลุ่มหลงวัวเมาในอารมณ์ต่างๆซึ่งทั้งที่เป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่หน้าปราถนาทั้งที่เป็นอนิธารมณ์อารมณ์ที่ไม่นาปราถนาคอยประคับประคองจิตไว้ในกรรมฐานบทใดบทหนึ่ง ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานั้นมีจิตใจมั่นคงนะมีจิตใจมั่นคงที่นี่ตัวสมาธิที่แปลว่าใจตั้งมั่นนั้นโดยอาจก็ได้แก่การทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์เป็นอันเดียวที่เป็นกุศลอาจำแนกออกเป็นประเภทได้สามอย่างก็คือขณิกะสมาธิจิตตั้งมั่นลงในขณะหนึ่งชั่วครู่ช่วยยามอุปาจาระอุปาจาอุปาจารสมาธิจิตตั้งมั่นได้นาน คือว่านานกว่าคณิกะสมาธิเรียกว่าใกล้จะสงบแน่วแน่นะใกล้จะได้ฌานหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอุปจารสมาธินี่สมาธิที่เข้าไปใกล้เฉียดเฉียดอัปปนาสมาธิเหมือนกันเถอะนะเกือบจะได้ฌานแล้วเฉียดฌานแล้วนะข้อที่สามอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นสมาธิอย่างแรงตั้งมั่นอยู่ในฌานทั้งสี่นะตั้งมั่นอยู่ในฌานทั้งสี่ตั้งแต่ปทมฌานทุติยฌาน ปฏิทยท า, านจะตุจฉานนี่แหละเมื่อได้อปปนาสมาธิแล้วก็จะได้ฌานก็เท่ากับ ว, ว่าเราปราบนิวรณ์ห้าสงบอย่างราบคาบตั้งแต่การมาฉันทะพยาบาทาถีนมิทะอุทธจโกกกุจจวิจิกิจฉาเมื่อนิวรณ์หสงบราบคาบแล้วเราก็มีแต่ความสุขเราก็มีแต่ความเจริญนะเราก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญฉะนั้นให้เราทุกคนจงหมั่นฝึกมันฝึกสมาธิ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าสมาธิพิกเวพาเวทสมาโตยถาปูตังปชานาติว่าพิสูจทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงใจย่อมผ่องใสรู้ไม่ผิดไม่พลาดรู้ถูกต้องตามสภาวะธรรมแต่ถ้าใจไม่เป็นสมาธิแล้วจะรู้อะไรมันก็ไม่แน่แน่อาจจะรู้หลอกหลอกนะยัง ผิดพลาดฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมั่นเจริญสมาธิประการที่ห้าข้อสุดท้ายก็คือปัญญานะตัวปัญญาหมายถึงความรอบรู้อรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้นะในรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้อะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้นะอสิ่งที่ควรรู้นั้นในทางพระพุทธศาสนาก็คือว่ารู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์ อันนี้แหละเรียกว่ารู้ถูกต้องตามหลักรรพุทธศาสนาแต่ถ้าพูดในทางโลกโลกก็คือว่ารู้ในการดำรงชีวิตให้ให้มีความผาสุขรู้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตนะรู้ทางดีหนีทางชั่วเนี่เรียกว่าเราดำรงชีวิตอยู่ในคารวสวิสัยนั้นแน่นอนที่สุดมันมีเครื่อง อายุวยวนจิตใจที่จะทําให้เราเกิดความรักลุ่มหลง ม, ม, มากฉะนั้นเราต้องฉลาดนะอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาครอบงำจิตใจของเราเราจะประกอบกิจการไหนก็ทํากิจการนั้นให้เจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็เอาตัวรอดได้ให้มีความทุกน้อยนะมีความสุขมากไม่อยู่ในสังคมเขาได้ทุกชั้นอย่างนี้หลยจัดรอบเป็นตัวปัญญานะเป็นตัวปัญญา ฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยหลักสามประการคือหนึ่งสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังสองสุตญญตะมยปัญญาอินตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดสามภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยเกิดจากการสุกสมาธิเกิดจากการเจริญสมถะและวิปัสนาฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็ได้ชื่อว่ า, าเป็นอินทรี่ห้าและพละห้า ซึ่งก็ได้ย้ำไว้ในตอนต้นแล้วว่าที่ได้ชื่อว่าอินทรียห้าก็เพรา ะ, ะเป็นใหญ่ในกิจที่ตนจะพึงทํานะที่ชื่อว่าพละห้าเพราะเป็นกําลังให้ทํากิจนั้นสําเร็จนะฉะนั้นเมื่ อ, อพูดถึงอินทรีห้าพละหา้าจะสรุปว่าทั้งสองอย่างนี้กําจัดทํำออันเป็นค่าสุดได้ดังนี้ ศรัทธาเป็นข้าศึกแก่อสัตถีย ะ, ะคือความไม่เชื่อวิริยะก็เป็นข้าศึกแก่โกศชักคือความเกียจคร้านสติเป็นข้าศึกแก่ประมาทะคือความเลินเล่อสมาธิเป็นข้าศึกแก่อุทจักความฟุ้งซ่านลำคาญใจปัญญาเป็นข้าศึกแก่อญานะคือความโง่เขลาเบาปัญญานี่ก็เป็นเรื่องของพละห้ า, าและอินทรีห้าก็หมดไปทีนี้ก็มาว่าถึงเรื่องโพชฌงเจ็ดนะ พอดชงเจ็ดประการก็มีตั้งพอดชงนี้หมายถึงว่าปัญญาเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นองค์แห่งการตรัสรู้ก็มีสติสัมโพชอดชงธรรมธรรมวิจยะสัมพอดชงวิริยะสัมโพอดชงปีติสัมโพอดชงปัสสติสัมโพอดชงสมาธิสัมพอดชงอุเบขาสัมโพชอ์ชงอย่างนี้ได้ชื่อว่าอที่ได้เรียกว่าโพอดชงเจ็ด ที่เราอยียกเรียกว่าโพธชงเจ็ดฉะนั้นโพดชงนี้แปลว่าทรรมเป็นองค์แห่งปัญญาเครื่องกรัสรู้คือตัสรู้อริยมรรคอริยผลสติวิรยิยะสมาธิอุเบกขาโดยลักษณะและประเภทก็ได้อธิบายมาในหมวดต้นๆแล้วฉะนั้นถ้าจะพูดให้ย่อๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสติที่ระลึกในอารมณ์คือในกายในเวทนาในจิตในธรรมและกิตที่ทาแล้วนานๆ นะวาจาที่กล่าวแล้วก็ระลึกได้ตามระลึกได้เอเรียกว่าคอยระมัดระวังนะคอยระมัดระวังออย่างนี้ก็จะเป็นปัญญาที่ทําให้เกิดบุญให้เกิดคุณอันยิ่งเรียกว่าสติสัมโพชฌงปัญญาที่พิจารณาเลือกเฟ้นอซึ่งทำที่เป็นกุศลและกุศลอมีโทษและไม่มีโทษตำชาหรือประนีก็ดีปัญญาที่เห็นโดยลักษณะทั้งสามก็ดีนะ ที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอันิจังทุกขังอนาตาัตตาเห็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าธรรมะวิจ ย, จยสัมโพธชนในข้อที่สามก็ความเพียรอุสาหะที่เป็นไปในกายเมื่อเวลาเดินจงกรมเป็นต้นและเป็นไปในจิตที่ให้สำเร็จในจิตทั้งสี่คือสัมมาประธานาตั้งแต่สังวรประธานเพียรวังย้าบาปเกิดขึ้นในจิต เ, เพียรวังย้าบาปเกิดขึ้นในจิตใจ ปหาณประธานเพียนละบาติเกิดขึ้นแล้วในจิตใจภาวนาประธานเพียนสั่งบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจอนุรักษณาประธานเพียนรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปอย่างนี้แหละจะชื่อว่าวิริยะสัมโพชฌงปรการที่สี่คุณแห่งจิตที่เกิดขึ้นแรสร้สางไปในกายและจิตใจให้เต็มอิ่มให้เกิดความเอิบอิ่มเช่มชื่นเบิก บ, บานให้เกิดความยินดีเรียกว่าปิติสัมโพชฌง ประการที่ห้ากายยปัสสธิก็คือความระ ง, งับแห่งกายหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือแห่งนามแห่งกายแห่งนามกกายคือเวทนาสัญญาสังขารจิตตาปัสสทธิความระ ง, งับแห่งจิตคือวิญญาณทั้งสองปัสสทธินี้ชื่อว่าปัสสทธิสัมโพชฌงนะปัสสธิสัมโพชฌงประการที่หกความสงบแห่งจิตไม่ฟุง้งซ่านอาการที่ตั้งอยู่เสมอแห่งจิต ความที่จิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ประการที่เจคือประการสุดท้ายความเพ่งโดย อ, อุปติคือหมายถึงว่าการบังเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ทั้งหลายมัตยัะเป็นกลางคือความรู้จักพอดีความพอดีความพอเหมาะความพอควรคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ด้วยอย่างมีสติได้ชื่อว่าอุเบคาสัมโพชฌงค์ อ น, นี่ก็เป็นเรื่องสัมโพธชงย่อยๆในสัมโพธชงเจ็ดนั้นสติสัมโพธชงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นธรรมมีประโยชน์มากกล่าวคือมีอุปการะแก่ธรรมทั้งหลายทั่วไปแม้แก่ธรรมทั้งหกนั้นด้วยบรรดาโพธชงอันวิเศษสุดนั้นย่อมใช้ได้ทั่วไปในกิจทั้งมวลยิ่งเป็นธรรมที่สูงหรือประนีตเช่นธรรมคือโพธชงนี้สติสัมโพธชงย่อมเป็นของจำเป็นที่ทุกคนต้องปรารถนา ถ้าจะเปรียบสติก็เหมือนกับเป็นโอสถอันสำคัญะฉะนั้นในพจน์ช ง, งทั้งเจตสติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ในพจน์ชงอีกห ข, ข้อนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงขอให้เราทุกคนนั้นจงพาการศึกษาและพาการเจริญเกี่ยวกับเรื่องพชนชงเจตก็จะทำให้เรานั้นมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็จะทาให้เรานั้นเกิดสติปัญญาจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ นี่ก็เป็นเรื่องพูดชงเจ็ดย่อยๆมาในข้อสุดท้ายก็คือมรตมีองแปดนะเรื่องมรตมีองแปดพูดถึงมรตมีองแปดบางทีเรามักจะพูดว่ามรตแปดนะมรตแปดแต่ถ้าพูดมรตแปดนี้เรียกว่าพูดไม่สมบูรณ์แต่เราอาจจะเข้าใจถูกแต่ถ้าจะพูดให้สมบูรณ์ต้องพูดว่ามรตมีองแปดนะเรียกว่าอัดถังคี้กมักรนะอัดถังคี้มระมัมรตประกอบด้วยองแปด มัสมีองแปดมีอะไรมัสมีองแปดก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่นะเห็นอริยสัจสี่ก็คือเห็นทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะไม่สบายกายไม่สบายใจสองก็คือเห็นสมุทัย คือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัวตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาสามนิโรธคือความ เ, าเห็นความดับทุกข์ก็คือได้แก่ดับตัวตัณหาโดยสิ้นเชิงสี่มัตต์เรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทานะเรียกว่ามัตตมีองค์แปด ก็เนี่ยคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์หนทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือได้แก่มักแต่สั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสมาสมาธินี่แหละคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่ประการที่สองสัมมาสังกปะดังเดชอบคือดังเดออกจากกาม ดัมริในความไม่พยายามบตดํมริในอันไม่เบียดเบียนสามสัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากวาจีทุจริตทั้งสี่ก็หมายถึงว่าไม่พูดบดไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำยาไม่พูดเพริรเจอรนะแล้วก็สี่สัมมากัมมันตะทาการงานชอบคือเว้นจากการาจากกายทุจริตทั้งสาม กายทุจริตทั้งสามก็คือได้แก่ปาณาติบาตคือการทําสัตว์ให้ตกล่วงไปก็หมายถึงว่าการเบียดเบียนสัตว์การฆ่าสัตว์การทรมานสัตว์กับขังสัตว์หรือทําสัตว์ให้ทุกพลภาพวิกลวิการต่างๆ อ, อย่างนี้เดี๋ยเราต้องละเว้นแล้วก็สองก็คืออธินาทานก็คือไม่ถือเอาสินของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยอาการแห่งการลักขโมยหรือว่าจี้ล้นฆ่าตูดช่อโกง ชกจิงวิ่งราวนี่ต้องละเว้นประการที่สามก็คือกาเมสุมิฉาจา์ก็คือต้องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายเพ่งดเว้นในการประพฤติผิดในลูกเขาเมียเข า, างดเว้นในการที่จะประพฤติผิดในโรคเสียงกลิ่นรส อ, อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นมีการงานชอบก็คือการงานทาง เ, าเว้นการงาน ทุจริตทางกายสามข้อที่ห้าสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตชอบก็คือเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดคนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นะเราจะต้องดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควรก็คือว่าดำเนินชีวิตในทางที่สุจริตเมื่อเราดำเนินชีวิตในทางที่สุจริตแน่นอนที่สุดประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแก่เราและจะทําให้เรานั้น จะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญประการที่หกก็คือสัมมาอาชีวะเพียรชอบคําว่าเพียรชอบก็คือเพียรในสี่สถานดังที่ได้กล่าวมาแล้วในต้นเป็นต้นว่ า, าเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นในจิตใจให้หมดให้ออกไปแล้วก็เพียรยสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจ แล้วก็เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจให้คงไว้ก็คือเพียรทําบุญกุศลบ่อยๆเพียรปฏิบัติธรรมบ่อยๆเพียรอย่างนี้บุญกุศลก็จะอยู่ในจิตในใจของเราเราก็จะมีใจความสุขความเจริญประการที่เจ็ดก็คือสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานสีก็คือในกายในเวทนาในจิตในธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเนาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่กิรังยั่งยืนเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่า เราเห็นในทางที่ถูกในทางที่ควรเราก็รู้แจ้งตามความเป็นจริงประการที่แกก็คือสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบคือเจริญฌานทั้งสีตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุทะฌานเมื่อเราเจริญอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็ย่อมจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ เมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละได้ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัจะได้ถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดอย่างนี้พระองค์ทรงยกย่องว่าเรานั้นบูชาพระตจาถาต ด, ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องฉะนั้นในองค์มรรคทั้งแปดนั้นเห็นชอบดําริชอบสงเคราะห์เข้าในปัญญาศิกขาวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีเลี้ยงชีวิตชอบสงเคราะห์เข้าในศีลและิกขา เพียงชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบสงเคราะห์เข้าในจิตตะศิขานะเข้าในจิตตะศขาฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ตั้งใจที่จะเจริญมรรคแดก็ดังที่ได้กล่าวมาก็จะทำให้เรานั้นเดินทางที่ถูกที่ควรฉะนั้นพูดถึงโพธิปัจจะธรรมส7มสิบดประการดังได้กล่าวมาสติปัฏฐานสี่สำนัปะทานสีน่อธิบาทสี่อินทรีห้าละห้าพชงเจ็ดมรรคแปด ก็พอสมควรกับเจลาอันหนึ่งพระธรรมที่มีชื่อว่าธรรมจั ก, กรกบวัธรรมสูตรก็ต้องมีโพธิปัภิยธรรมนี้เป็นดุมมีปฏิจจสมุปบาทเป็นกรรมมีพระจตุรายยศสั์เป็นกงพระศาสดาทรงสแสดงธรรมสามหมวดนี้ให้มีในอันกระทบตลอดถึงกันให้ต่อเนื่องถึงกันจึงได้นามว่าพระธรรมจักรมีอถาธิบายว่าดุดล้อเกวียนดุดล้อรถฉะนั้นฉะนั้นผู้ปรารถนาความเจริญก็ควรได้ศึกษาเรื่องโพธิปภิยธรรม ก็จะมีแต่ความรู้ความเข้าใจและความสุขโดยทั่วกันขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร